พี่ป่าสกินเฮดแล้วเนาะกลนหัวอ่าตวัดจบการปฏิวัติรมเนี่เบื้องต้นก็นเป็นการปรับอินซีอินซีคือความเป็นใหญ่ สติเป็นใหญ่สติอินทรีย์เหมือนกระรูปปั้นปั้นมาจากคำพูดหลงพ่อได้พูดว่านกอินทรีย์หมายถึงสติสติอินทรีย์ยอมกินมแมลงแมลงคือนิวรธาธรรมนิวรธาธรรมก็คือความง่วง ความเบื่อของเลสงสัยการไยาบาทความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นมาเพรเนื่องจากมีความเพียรกล้าเวลามีความเพียรกล้านะ่ยมันจะฟุ้งอยู่ข้างในเป็นความคิดเลื่อยๆน้อย บางทีก็ทมจนร่างกายบอบช้ำเดินเจ็บหลังเจ็บเอวบางทีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยเข้าน้ำทีงทีเจ็บปัสสาวะเป็นสีเหลืองสีแดงอันนี้ต้องปรับอินรีก็ะหมายถึงให้มีความขยันแตพอดีแล้วก็มี สมาธิแต่พอดีสมาธิใช้กับการเคลื่อนการไหวให้พอดีเป็นการปรับกายปรับใจปรับเนื้อปรับตัวมันทีเป็นแก๊กแกงเพลงจ้องมันทีเป็นกดข่มก็ต้องสังเกตมีสมาธิ กับการเคลื่อนการไหวพอดีพอดีตั้งใจใส่ใจกับการเคลื่อนตัวนี้เราจะสังเกตการเคลื่อนจะเบาๆแล้วก็เคลื่อนเป็นจังหวัรู้ชัดก็่ารู้ชัดก็คือมันรู้เบาๆบลนะมันรู้แบบเบาๆลแล้วมันก็ชัดถ้ารู้ประเภทสัมผันสแรงๆกระทบสัมผัธ์แรงๆ ตัวนั้นนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องของเวรยะกล้าค่อนเพียนกล้าสมาธิความใส่ใจตั้งใจก็ไม่ค่อยชัดเจนตั้งมั่นเท่าไหร่สักพักหนึงกล้าเนื้มกระลาเจ็บหลังเจ็บเอวสมัยองค์สมเด็จสมมาเจ้าเคยพูดไว้กับพระโสณนะ โซนะนี่เป็นสุ ข, ขุมกุมารชาตินะผิวเหมือนทองคำก็คือผิวดีเป็นผู้ดีแล้วก็เบื่อเบื่อความสุขออกบวชตั้งใจที่จะมีการบรรลุธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเองให้ได้ ก็เพียนอย่างมากนะเดินจงกลมผิวดินที่ขุกระก็เดินไปไงนะั้นจนฝ่าเท้าแตกมือจับหยิบทำงานก็มือก็แตกไม่เคยทำงานมาก่อนจนเพื่อนภิกษุการเห็นว่าเออน่าสงสาร ไปกราบตวนถามพระพองค์พระพองว่ามากแก้อารมณ์ให้เบกให้ปรับอินทรีย์ให้ดีๆสตัยอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์ริยอินทรีย์สมาธิอินทรีย์สติอินทรีย์ปรับเป็นพอดีถ้าตึงไปเหมือนกระสายพิน โซ น, น่าเคยดีดพินแล้วก็ไพ่ละมากถ้าสังเกต ด, ดูพินมันตึงไปมันก็จะขาดทำหย่อนไปมันก็จะดังไม่เพราะมันจะกลายเป็นการเผลอเข้าไปฟุงงซ้านคิดมากตามนิสัยความเคยชินเก่า ให้ทำแต่พอดีสายปิี่พอดีก็ไพเลาะส่วนหน้าก็มาปรับอินทรียให้มันเกิดความพอดีกัมนมาในการปฏิบัติธรรมจนมีการบรรลุธรรมจริงๆขึ้นมาพรโสดากัริวิตาก็เป็นเอกอาตาทางด้านการทำความเพียรเลิศเป็นที่หนึ่ง ยกให้เราก็เห็นว่าคำเขียนหรือว่าคำดอกเล่ามันก็คือวันนี้ของเรานั่นแหละเวลาเราไปปฏิบัตธรรมที่เราก็ตั้งใจมากไปหรือว่าทำงานอย่างดีเราตั้งใจมากไปมันก็ไม่ใชสศาสตร์ใช่ศีลมันก็นเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราจะต้องสังเกต แต่สุดความเพียนมันก็จะถูกปรับให้มีความพอดีขึ้นมาอย่างเมื่อวานมีประโยคคำพูดของนักบวชว่าทามา2 6ว่าวันตอนนี้มันหลุดแล้วมันไปตามความคิดไปตามอารมณ์อารมณ์มันก็สั่งความคิดก็สั่งอันนี้จะเกิดอาการเดินเเพร้น เดี๋ยวไปสล า, าหน้าเดี๋ยวไปดูสื่อ VCD DVD ดูหนังสือไปหาข้อมูลไปพูดไปคุยนะสำคัญมันจะกลายเป็นหาหาใช้10ทําได้5บาทใช้ไป10บาทแล้วติดลบเราต้องตลอมนิดนึงสังเกตการนั่งการเดินการยืนการนอนของเราให้ชัด คำชัดในที่นี้คือนุ่มนวลตรงนี้แหละที่จะมีคําพูดว่าปฏิบัติมากไปแล้วก็คนพวกปฏิบัติมากไปนะเพี้ยนทังนั้นนะปฏิบัติมากไปแล้วก็ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเวลาทําอะไรก็เหมือนกับเก็บกดปฏิการต้องการก็ต้องการมากกว่าคนปกติเราก็ต้องกลับมาสังเกต ให้มันเป็นธรรมชาติของการนั่งธรรมชาติการเดินธรรมชาติการยืนการนอนเป็นยังไงธรรมชาติก็เหมือนธรรมดาธรรมดาที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่เพียงก็ว่าสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวนะตรงนีน้เรารู้จักหรื อ, อยังสัมผัสมันไมช่คิดเวลาคิดมันงไม่ใช่สัมผัสเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกตัว ขณะที่กลไกของไก่ตั้งแต่หัวจรัดเท้ามันเคลื่อนมันไหวมันเกรงมันคลายมันตึงมันหย่อนตัวสลัพังไกมันหนามันร้อนกระทบอ่อนกระทบแข็งบุญไหมเราสัมผัสตัวนี้ได้ชัดไหมจากอยาแหววลรเอียดจิตที่รู้อยู่ที่ฐานกายมันปกติอยู่มันมีลักษณะของคลื่นที่เราตั้งใจเปิดดูทีวีช่องห้าอย่างเงี้ยดูทีวีช่องเจ็ด หราเปิดวิโยคลื่ น, นร้อยจุดหมโคเฮิรตเลนะเสร็จแล้วเราก็ปรับจูนให้มันเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะดูช่องนี้ต้องใจที่จะฟังช่องนี้เราตั้งใจที่จะสัมผัสรู้ความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวอันนี้สมาธิมันจะเกิดขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันเป็นสมาธิคู่กาววิยะาณความขยันมันเพี่ย น, นเคลื่อนไหวรู้สึก เกินไหวรู้สึกช่องนี้เวลาเคลื่อนมันเปลี่ยนไปเนีเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเช่นมันเคลื่อนว่าไหวไปทางความคิดอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดความรู้สึกที่ฐานกายอย่างเงี้ ย, ยมาอยู่ด้านไห น, เ, นเวลาเราตั้งเป้าไ ว, ว้มีสติรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีศูนย์ก็มันอยู่แล้วมันก็จะมีเป้าหมายก็มันอยู่ ในขณะที่มันเคลื่อนไปจิตคิดอย่างเงี้ยมันจะเคลื่อนไปทิศทางไหนว่าไหลไปทิศทางไหนเราจะได้สัมผัสเป็นความรู้สึกตัวมีความง่วงเกิดขึ้นมานี่ว่รทำเกิดขึ้นมาเราจะได้สัมผัสรูร้เป็นความรู้สึกตัวก็เรียกว่ามันหลงก็รู้สึกตัวเวลามันคิดก็รู้สึกตัวเวลามันง่วงก็รู้สึกตัวเวลามันปวดเมื่อยก็รู้สึกตัวมันจะสังเกตได้มันไหลไปไหวไปน เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวนะี่ยแต่ว่ามันละเอียดนะจะเป็นความคิดจะเป็นอารมณ์อันนี้เราจะรู้ได้ชัดนะถ้าการเคลื่อนการไหวเป้าของเรามันตั้งมั่นอยู่เนะคลื่อนเดียวจริงๆนะพอทําไปทําไปาจิตจะปกติเราปรับสมดุลให้ตามกฎของกรรมฐานตามกฎของธรรมชาตนะิแล้วก็ฝึกหัดกันตรงนี้แลนะถ้าทําถูกต้องได้อารมณ์ปฏิบัติ มันก็จะไม่งอกง่วงจะตื่นรู้แล้วก็มันจะมีรางวัลมีโบนัสให้ทุกครั้งที่มันรู้แล้วมันก็ใจชัดกับารู้แล้วค่าใจชัดคือมันสะพานรู้ไงแล้วมันเห็นแล้วสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้เวลากําหนดรู้รูปธรรมมันเอียงไปด้านขวาเวลากําหนดรู้เรื่องนามธรรมมันเอียงไปด้านซ้าย เวลามันกันรู้ตัวสติมันจะกลางๆงแล้วก็สูงจิตว่างเวลามันหลงมันก็พลิก ป, ปั๊บพลิกทันทีนมันหลงมันไหลเจ็จแล้วมันก็ลืมเนื้อลืมตัวเราก็หลงไปในการปรุงการแต่งหลงไปในอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นบัตตะสงสา ร, รว่าใช้ลักษณะของวิบากใช้กรรมเป็นภพภูมิต่างๆ มันเป็นภพภูมิเกิดขึ้นมาในตัวเราเนี่แหละที่เรียกว่าสวรรค์นในอกนรกในใจนนหรือว่าคำา น, นิพพานก็คือความเป็นปกติปรากฏออกมาเราก็จะเห็นซ้ําๆเมื่อเราทําซ้ําๆก็จะเห็นอาการพวกนี้ทุกวันมันเป็นอาการที่ปรากฏออกมาก็คือลักษณะของความรู้ที่มันเป็นลักษณะของการคิดรู้แล้วความรู้ที่มันเกิดมาจากการสัมผัสรู้น สัมผัสรู้เกิดจากการเคลื่อนการไหวการเดินจงกรมกันนั่งสร้างจังหวะหรือว่าแล้วนะของอาการของจิตเนี่ยที่มันแสดงออกมาเป็นอาการสัมผัสรู้ด้วยความรู้สึกตัวอันนี้คือแล้วนะของสติปัฏฐานที่เราเพียนฝึกกันมามันที่จะศึกษาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วก็มันกลับมาดูตัวเราเห็นตัวเราอาการต่างๆธรรมชาติที่ปรากฏในตัวเรานะ ตอนตัวหัวจะดเท้าเรีว่ารู้ตัวตัวพร้อมตัวสารบางกายจะทําอะไรมันก็เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวที่เรียกว่าจะทําอะไรคือการกํำลังรู้ที่ฐานกายเราเห็นว่าการเคลื่อนไหวไม่ต้องเจตนาแล้วความเป็นเองเกิดขึ้นไหมที่เรียกว่าเจตนาคือเป็นการเจตนาที่จะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวที่ว่าเป็นเองหมายถึงว่ามีสิ่งต่างๆมากระทบสัมผัส รูกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกหรือว่าสัมผัสรู้ทางด้านร่างกายของเราลมพัดหรือไม่กระทั่งความคิดซึ่งเป็นมโนกรรมมโนโปปพากึ้นมาทำมามโนเสถ่ามโนมายาทำทั้งหลายก็มีใจตรงนี้เป็นหัวหน้าถ้าใจมีสติก็เป็นหัวหน้าที่ดีถ้าใจกาสติมันก็เป็นหัวหน้าเพราะว่ามันจะทีเลว มันเป็นใหญ่ล้วันสั่งให้คิดให้พูดให้ทำตาหัวหน้าที่แรกก็สั่งให้คิดพูดทำํำมีดีให้หลงทำตาตาเป็นหัวหน้าที่ดีมีสติระลึกรู้กวามรู้สึกตัวอันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติทําอะไรก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะพูดก็เป็นธรรมะทาก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติการใช้ชีวิตดํารงชีวิต การเกี่ยวข้องเป็นลนักษณของคุณธรม ร, ธรมศีลธรรมจยธรรมเป็นลักษณะของสมมติบัญญัตะที่เป็นเรื่องของความดีความงามสุกสวยรวยดีพวกนี้มันก็เป็นความจริงคือทำมาทั้งหมดเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมแปเกี่ยวข้องกับนินทา ย, ยัางไงเกี่ยวข้องกับศาสตร์เสื่อมอย่างไ ร, องอ ร, ร, งไรเกี่ยวข้องกับมีลาบอย่างไรมีข้องอเสื่อมลาบอย่างไรมียศ ม, มีอำนาจอย่างไร ห, หรือว่าเสื่อมยศเสื่อมอำนาจอย่างไร เวลามีสุขทํำยังไงเวลามีทุกข์ทำยังไงมันก็ทําใจนั่นแหละทําใจไม่ต้องไปทําอะไรก็ทําใจเราเอาก็คือไม่ต้องทุกข์กระด่มีปัญหาไม่ต้องทุกข์กระแด่มีโลกนี้นโดยที่ปัญหามันเต็มโลกมีภัยเต็มโลกไม่ต้องทุกข์ก็ะด่มีโรคาภาัายอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีหมอแก้กระทรวงสาธารณสุขแก้่ มีอุปถัิภัยมีบรรเทาสาระภัยเป็นตัวแก้มีจอลภัยมีตำรวจผู้พิทักษ์สันติราเป็นตัวแก้มีวินาศภัยอุปถัมภยมีธรณีวิบัติภัยมีภัยมากมายเหลือเกินมีราชภัยนกูลรีภาสีอากอนมันมีอะไรเป็นตัวแก่ธรมีใจแล้วก็ทำใจนมีสติมันก็มีปัญญาดังนั้นมันก็เกิดการทำใจเกี่ยวข้องถูกต้อง มีภัยวัฏตาสงสารก็คือวิบากกรรมต่างๆที่เราเคยคิดเคยพูดเคยทำํำตัวนี้ก็มีพุทธะเป็นตัวแก่พุทธาศาสนามีภาวะของความเป็นปกติมันก็ตรงไปตรงมาทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตก็ปกติอยู่ปกติก็คือไม่ได้เข้าไปในความคิดมันก็เห็นสภาวะเห็นได้ยินสภาวะได้ยินมันไม่ไเห็นแล้วคิดต่อได้ยินแล้วคิดต่อนะ ทันทีทันใดแล้วก็แล้วก็แล้ ว, ลวไปทันทีชีวิตก็อยู่กับปัจจุบันกับการนั่งการเดินการยืนการนอนกับความคิดการปรุงการแต่งเป็นความบริสุทธิ์ไปเลยเรียกว่าสังขารบริสุทธิ์สัญญากับบริสุทธิ์เวทนานก็บริสุทธิ์นี่ไงวิญญาณก็บริสุทธิ์ก็รู้ซื่อๆความความรู้ที่มันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆมันก็เกิดจากการที่เราได้ทําความเพียรเดินจงกรมนั่งสร้างใช่ไหม ทุกๆอาการที่ปรากฏก็รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ได้เาความหมายว่าชอบแต่ความหมายกาไม่ชอบพอใจไม่พอใจอย่างนี้บางทีเราปฏิบัติมีจิตคิดมากเกิดขึ้นมาเนื่องจากปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกปัญหาเรื่องบ้านปัญหาเรื่องลูกปัญหาเราสังคมก็ครัวปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องชีวิตของเราที่มันขาดหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีการเปรียบเทียบ มันมีมานะมันมีทิฏฐิทิฏฐิก็ไม่ใช่เป็นลเล่าของสัมมาทิฏฐิแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นความเห็นที่มีมานะมีการเปรียบเทียบนมันเป็นมานะทิฏฐิไอ้ตัวพวกนี้ยมันเป็นตัวที่เราจะต้องสังเกตมันจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นมาแล้วท้ายสุดก็คือมันรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็เบื่ออย่างเวลาเปรียบเทียบกูบาจานย์างี้ ท่านทำได้เราทําไม่ได้คนนั้นคนนี้ทําไมเขาทาได้ทํำไมเราทําไม่ได้มันจะเกิดความเหมือยได้นะแล้วก็รู้สึกตัดเพอ้อต่อว่าจะตายชีวิตของตัวเองมีความอาภัพมีปมด้อยเกิดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้นจะทําให้เราเหมือนกับว่าหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยพอเห็นทางเดินจงกลมมันก็ท้อพอเข้าสู่ลานปฏิบัติก็ยี่นั่งมันก็ท้อ มันจะมีครู้สึกว่ามันมันอยู่ก็ได้ประเภทนี้จะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากทันทีหรือ บ, บางทีเนี่ยเราก็มีภูมิรู้มาก่อนเรียนปริยัตมาก่อนเคยฝึกเคยทํางานดีๆมาก่อนเป็นหัวหน้าคนมาก่อนพอมาอยู่วัดเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าพระก็ต้องกราบต้องไหว้หรือว่าบางทีเนี่ยพระก็รุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ไม่รู้จะ กล่าวไปไหว้ทวําไมประสบการณ์ท่านกับน้อยถ้ากล่าวก็ไม่รู้กันกันว่ากล่าวข้างในท่านจะเป็นยังไงบางทีก็มีทิฐิถือตัวเกิดใช่ไหมระดับสุดก็คือกลายไปเรื่องของเราเก่งก็ไม่เก่งกูเก่งก็ไม่เก่ ง, กงอะไรมีการเปรียบเทีเยบเกิดใช่ไหมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองก็จะหาที่เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาออกไปข้างนอกอย่าง เ, งเรื่องนี้ก็มีคนเกิดที่ตั้งใจดี การชีวิตของตัวเองทำงานดีไหระดับมาผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานีา น, นะก็เป็นลนักษณะของผู้จัดการธนาคารเก่งแล้วก็เรียนปริญญาตรมาเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่มาระดับประเทศก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาปฏิบัติธรรมทีนี้เราสังเกตเห็นว่า เ, เขามีลักษณะของการลองภูมิอยู่ในจิตใ น, ในใจในคำถามในคาพูด แล้วก็เวลาบอกให้ปฏิบัติแบบแนวหลวงพ่อเทียนก็ปฏิบัติแบบตามใจตัวเองอ่นหะน่ตามใจตัวเองไม่ยกเคลื่อนหยุดก็ไม่ยกเนี้ยเคลื่อนหยุดก็ไม่ยกเนี้เพราะเรารู้ว่าเคลื่อนหยุดคื อ, อไรรู้ชัดเลยนะอันนี้มันรู้ตัดรู้ตัดะถ้าเรารู้แล้วไม่ตัดมันก็รูแ้แล้วก็ต่อคราวนี้มันต่อมันต่อแล้วหน้าที่คิดทำมันไม่จะเป็นการสัมผัสทำเป็นการทดลองหรือไม่ได้ฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติมาก่อน ก็คือศรัทธาไม่มีแล้วก็บอกอย่ารู้ซ้อนอย่ารู้ซ้อนการที่เรารู้ซ้อนนะมันเป็นลนักษณะของสมาธิเกิดขึ้นมามันไม่เป็นวิปนะัสสนาเราจะเป็นสมถะถ้าเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเป็นจังหวะนะอันนี้มันเป็นภาษาหลวงพ่เทียนลยว่าสร้างจังหวะการเคลื่อนกันไหวแต่ละจังหวะนะรู้ให้มันตรงๆไปตร ง, ตร ง, ตรงมาได้ว่ากู้ใหม่ฝึกว่าหัดแนวเคลื่อนไหวใหม่ๆ ใ, ให้รู้ แล้วก็มีการรู้แล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดคือรู้แล้วก็ละไปในตัวฝึกรู้ฝึกตัวรู้แล้วก็ฝึกละตัวรู้ไปด้วยฝึกละเครื่องที่เราระลึกรู้มันถึงจะเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติปยุทธฐานสติปัฏฐานรู้แล้วก็ปัดไปรู้อารมณ์จะได้วางอารมณ์แล้วก็วางให้ไวด้วยทันทีทันใดมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราเคลื่อนแล้วไปเข้า อยู่ในความเคลื่อนเน่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของความทุกข์เดี๋ยวเครียดขึ้นมาเดี๋ยวไปดูพอเขาฟังสะพังเขาก็เถียงทันทีนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้ น, น, น, นวันรุ้งึ้นก็เห็นก็กลับไปเลยอะมีรถอยู่คันหนึ่งเอ่อ BMW ปรากฏว่าเออนั่งรถไปเลยขอกลับไปด้วยกันเนี่ยก็น่าเสียดายนะตรงนี้ก็จึงต้องใล้ายๆกับ ไม่อยากใหญ่แล้วก็ไม่ต้องการที่จะเหมือนกับว่าแสดงตัวว่ารู้อะไรมาหรือ ว, ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรมันเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะอยู่แบบไม่มีตัวไม่มีตนเงียบเงียบแล้วก็ใส่ใจปฏิบัติจนกระทั่งเรารู้เลยว่าความหมายของการกระทํานั้นคืออะไรในความหมายของการพลิกมือสร้างจังหวะในความหมายของดูลมหายใจเข้าออก ในความหมายของการที่ท้องมันพองมันยุบพุโทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอนะมารู้ความหมายแล้วคืออะไรมันก็แยกได้ระหว่างสัมผันรู้จิตคิดรู้รู้แบบเป็นสมมติมัญญยาดกับรู้แบบเป็นประมัฏฐานสภาวะแนวหลวงพูทเ x ียนเป็นวิปัสสนาแต่เบื้องต้นเพียงแค่เราไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดนั่นนหะคําบริกรรมก็ไม่ต้องเอาเข้ามาเคลื่อนธรมธรมดาเวลาเรารู้สึกตัวเคลื่อนธรมธรมดานธราเดี๋รู้สึกตัวเราเห็นปฏิยาการต่างๆ มันจะแสดงออกมาเลยศรัทธามีหรือไม่มีปัญญามีหรือไม่มีวิริยะมีหรือไม่มีสมาธิมีหรือไม่มีสติปัฏฐานมีหรือไม่มีมันจะบอกทันทีจุดอ่อนจะแสดงออกมาขณะที่เราตั้งมั่นรู้สึกตัวมีสมาธิการเคลื่อนการไหวไปศรัทธาไม่ศรัทธาไม่เกี่ยวเพียงแค่สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัว เป็นการทดลองก็ว่าไดนะ้การจะทําอะไรสําเร็จก็ต้องมีชันทะวิยะจิตตาวิมังสาคือ น, นิมังสาก็คือเราลองใกล้ควรดนะูมาที่นี่วัดป่าสุกโ ต, โตนะสถาบันสติปัฏฐานกรรมฐานแบบแนวเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนการไหวเพื่อให้เรานะทํางานทําการทั้งวันเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะการใช้ชีวิตตั้งต่ตื่นยันหลับนะนะั้เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วย ที่อยู่สถานที่ไหนเครื่องแบบไหนเวลาอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยไม่ต้องรอรอมาวัดป่าสุกโตรอพบหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงปู่เทียนท่านก็สาบสูญไปแล้วในแง่ของร่างกายดินสุดดินน้ําสุดน้ําลมสุดลมไฟสู่ไฟคําสอนยังพอมีให้ฟังพระเจ้าก็สาบสูญไปแล้วที่เป็นตัวตนจริงๆหรือแต่คำพีที่เป็นความเชื่อนะ คำพีของประเทศไทยนะก็อย่างที่เราเห็นประไตรปิฎกกันคัมคำพีของต่างประเทศก็ก็เป็นอย่างของต่างประเทศของของอินเดียเราก็อ่านไม่รู้เรื่องของศิลังกาถ้าเราไม่ได้ศึกษาสิภาษาสิงผลรูล้วภาษาบาลีป า, า, าลิมักดมัคีพวนี้เราก็อ่านไม่ออกทีนี้ลักษณะของภาษาไทยนะถึงแม้ทั้งเป็นภาษาไทยเราก็อ่านไม่รู้เรื่องอีก อย่างเมื่อวานเนีหยิบเล่มสุดท้ายมาให้พ่อครูคนหนึ่งเขาก็พูดปริยัติมากมายคือพูดง่ายพูดสอนพลาว่าข้าเน่ยรู้อะไรพูดแบบลองภูมิว่าข้าเน่ยรู้อย่างเงี้ยนะนะคราวนี้พอเขามาที่นี่ก็ไม่ได้ยอมรับเี้ยก็ต้องออกไปใช่ไหมเพราะมันพูดกันไม่ได้พูดภาษาที่เป็นภาษาธรรมจริงๆก็คือคนที่ลงมือทำเนี่ยเขาทำเาเคยทําก็จะรู้ว่าเขามีอุปสรรคอะไรผ่านปัญหาอะไรเห็นอะไร เวลาถ่ายทอดจากจิตสู่จิตทางสู่รมถ้าเครื่องรับไม่ดีไม่ได้เป็นพญานาทองรองรับรถของพระธรรมไม่ได้เป็นจิตใจที่ว่างเป็นน้ำเต็มแก้วมันก็จะล้นทันทีนะพูดอะไรไปมันก็ไม่โดนในใจมันพูดมันไม่ตรงกับที่เราเป็นเราคิดอย่างนี้จะเป็นการโต้แย้งทันทีอันนี้แหละเป็นเรื่องของอาการปฏิบัติที่เราจะต้องรับรู้ข้อมูลจากในตัวเรา ถ้าเป็นข้อมือลจากคนอื่นนะมันก็อาจจะไม่ตรงใจของเราแต่พอลงมือปฏิบัติปั๊บเนี่ยเราจะเห็นดันงดีว่าไอ้จิตที่มันสอนเราจริงๆก็คือจิตที่เกิดจากการปฏิบททัติธรรมมันไม่ใช่จดจำํำเพราะฉะนั้นการรู้จดรู้จำํำเกิดจากคําสนทนาอันเนี้ยมันจะเป็นจริตนิสัยของใครของเราที่ต่อเชื่อมกันระหว่างข้อมูลกับข้อมูล ในหนังสือหรือว่าบุคคลเชื่อบุคคลศรัทธาบุคคลพอบุคคลเปลี่ยนไปศรัทธาก็ตกเชื่อหนังสือแต่ท้ายสุดพอสมองมันไม่ดีมันเสื่อมเจอปัญหาเจอความทุกข์ท้ายสุดก็แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมประสบการณ์ของเราที่เราเคลื่อนไหวเดินโยกลมอารมณ์ทุกอารมณ์นะก็คือเราต้องผ่านทุกอารมณ์ต้องผ่าน เกิดความมั่งขึ้นมาก็ต้องรู้เท่ารู้ทันผ่านอารมณ์เกิดความคิดเก่าเก่าเกิดขึ้นมาปัญหาเก่าเก่าแก้ไม่ตกมันเกิดจิตจำนึกขึ้นมาแล้วก็ต้องผ่านเวลามาละลึกบาปละลึกบุญหมนี้เราก็ต้องผ่านกลายเป็นความรู้ซื่อๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นการเดินทางก้าวแรกของวิปัสสนาแต่ว่าก่อนจะเข้าก้าวแรกของวิปัสสนานจะเจอดลณีของวิปัสสนาญาณก่อน ก็คือวิปัสนาอ่อนๆนะก็เรียกว่าอารมณ์วิปนะัสโนอารมณ์วิปัสโนนี่มันจะตรงกันข้ามกับวิปัสนาก็คือวิปัสนามันจะสัมผัสรูนะ้แต่ว่าอารมณ์วิปัสโนมันจะกลายเป็นคิดรูนะ้คิดรู้อารมณ์ปิติก็เกิดจากความคิดเกิดจากอารมณ์บนะุญเกิดจากนะความสําเร็จแล้วเราก็ใคร่ครวญนะมาทบทวนอันนี้ก็เป็นอารมณ์วิปนะัสโนหรว่า เวลาทำแล้วความเพี่ยนนั่กล้าเกินไป้็เรียกว่าอุปทา น, นตัวนี้อันนี้ก็คืออารมณ์วิปัสะโนร่วมมีความพอดีเย็นเย็นสบายใจปีติแ ล, ล้วเราประคองมันไว้อันนี้คืออารมณ์วิปัสะโ น, นมันมีลักษณะของอาการต่างๆมากมายนะมันไม่เข้าถึงความรู้สึกตัวซื่อๆสัมผัสซื่อๆเฉยๆแล้วนะถ้าเราสัมผัสซื่อๆเฉยๆนั้นเป็นอารมณ์วิปัสะนาเราก็ต้องมีประสบการณ์ท้ายสุด มันจะมีอาการที่เรียกว่าสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอายัถาพุธญาณหรือว่าคุตไลญาณมันมีอยู่ภาษานะมันหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ามันไม่เอาอะไรแล้วให้ราคาทางตาทางหูมันก็ไม่เอาวิราคาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเกิดวิมุตต์ก็คือมันไม่มุดเข้าไปในอารมณ์มันเห็นอารมณ์มันก็รู้แล้วปัดทันทีสติปัฏฐานมันก็เกิดจากการรู้กายปัดกายนะ รู้กายไม่เข้าไปในกายเห็นการเคลื่อนไหวไม่มีคนที่เข้าไปเคลื่อนไหวบุคคลเราเขาเราเคลื่อนไหวหรือว่าใจของเรากำลังเข้าไปในการเคลื่อนการไหวอยู่ตรงนี้เราได้เห็นมันแยกกันระหว่างผู้ดูกับสิ่งที่ถูกรู้รเนี่ยนะก็กายน่คือสิ่งที่ถูกรู้กายเนี่ยคือเครื่องระลึกรู้เนีย่ยนะมันเป็นเครื่องที่เราระลึกรู้อยู่ แต่ว่าตัวรู้ตัวดูเนี่ยมันดูอยู่มารู้อยู่เนี่ยจะผ่อนคลายสบายเราจะเห็นมันเป็นลนักษณะของไหวพิปิพานเกิดขึ้นมาเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดตรงนี้แหละจะไปรู้เท่ารู้ฐ า, านอารมณ์ทางตาทางหูจมูลิ้นกายใจมันจะเป็นรู้โดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ทําหน้าที่มันเป็นลนักษณะของธรรมะจัดสรรเป็นหน้าที่ของตัวสติของตัวสมาธิของตัวปัญญาโดยตรง นะเราก็ตั้งใจกันที่จะไปมาทำเพื่อเป็นการปรับอินทรีย์เบื้องต้นนะอินทร 5, นะีย์หพละห้าเมื่อมีอินทรีย์หก็จะต้องมีกําลังของจิตนะเรียกว่าพละหรือเรียกว่าพระก็ว่าไดนะ้พระมีอินทรีย์พวกนี้แหลนะจนกระทั้งระลึกเอาคุณธรรมมาใช้ได้ระลึกเอาสิริโอตะปาคมาใช้ได้ระลึกเอานะไอ้เชั่วครัวบาปต่างๆหรือว่าเมตตาก็นาเมตตาเวรขามาใช้ได้นะระลึกเอาวิชาความรู้มาใช้ได้ แต่ใช้แล้วไม่ติดนะเรียกว่าทำดีแต่ไม่ติดดีทำดีแต่ไมต้องให้ใครว่าดีตัวนี้อะไรก็ได้ให้เข้ามาทยสุดก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรจะอะไรเนะี่ยคำนี้จะได้พูดออกมาจากจิตของเรารู้่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองเราได้พูดจากจิตใจของเราที่มันเป็นสติปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเจอเกิดจากการสัมผัสการเคลื่อนการไหวของกาย กายเคลื่อนไหวใจเราก็รูนะ้รู้ว่าใจของเราจิตมันเคลื่อนไหวนะสติมันก็รู้นะก็เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแกนะ้กลับมาหาความรู้สึกตัวกลับมาหาตัวปฏิบัติกลับเข้ามาหาธรรมชาติเดิมเทอแ ท, แท้จิตจิมประปะัปะอน์่องใสคือใจที่ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนะก็คือการออกมาจากความคิดตั้งปวงนะนะอาจารย์นี้ก็พูดให้ฟังไงเราสมควรกันเวลากลับมาพร้อมกัน to the world